แต่เริ่มต้นไม่ดีท่ามกลางก็ไม่ดีที่สุดก็ไม่ดีแต่เริ่มต้นดีมันก็ไปได้ง่ายวามหลงไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาอย่านึกว่าเป็นของเล็กน้อยต้อให้เกิดเจเจ็บตายได้ ถ้ามีความหลงก็ไปถึงความเกิดแก่เจ็บตายความรู้ก็ไม่ใช่เรื่องเด็กน้อยถ้ามีความรู้ก็ทำไมพ้นการเกิดเจ็เจ็บตายมันปานนี้นะแล้วหว่างรู้ระว่างหลงเนี่ยถ้าเราหลงปล่อยให้หลงก็แน่นอนต้องมีการเกิดเจ็เจ็บตายแน่นอน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 จึงจะให้ผ่านตรงนี้ได้จากหลงเป็นลูกพรามีความทุกข์จากทุกเป็นลูกพรามีความโกรธความโลภความละความชังก็ให้ถึงความลูกมันจึงจะจบมันจึงเหนือการเกิดจะเส็บตายอย่าไปทําเล่นๆ น, นะมันจะมันจะด้าน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 ที่แบกบ่อในวัฏจัเกิดเจ็บเจ็บตายแทนที่จะได้ชีวิตเลยชีวิตก็เลยเอาว้ให้เพื่อเสียชีวิตได้มาเสียไปมีเล่าเสียไปมีเล่าเสียไปมีลเมล่วหายไปนั่นเท่ากับขอเจนตาลัคณาสู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 ไม่ต้องพลาแดแต่นตรงนี้ไม่ต้องพลาดแม่นยําชัดเจนเรื่องอย่างนี้ชีวิตแม่นยําชัดเจนใช้อะไรก็ชัดเจนเรื่องนถ้าเป็นเรื่องกายเรื่องใจใช่ไม่ผิดชัดเจน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 ง่ายกั้วความหลงมันทุกข์ไม่ทุกข์ง่ายง่ายาาง่ายขัยยยคคย้ความทุกข์มันโกรธไม่โกรธง่ายง่ายง่ยากง่ายกั้วความโกรธความโกรธจังยากความทุกข์จังยากทำให้เพี้ยนเพี้ยนไปหลายอย่างถ้าเกิดความโกรธสภาพร่างกายก็เพี้ยนตั้งแต่ หัวใจเต้นเหลวลือดก็เพี้ยนลือดที่มีเฉพาในร่างกายถ้าหัวใจเต้นอย่างไวขาดเลือดใช่ไหมคุณหมอปันจาราดูโลกกับเพาะได้นอนดูสิถ้ากดหลอดข้ากินไม่กินไม่หลงเพาะ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 เพราะจอดทำไมไฟแดงเพราะเห็นไฟแดงอยู่โน้นพอเห็นไฟเขียวก็วิ่งไปสุดเออเขาวิ่งเพื่อจอดเพื่อเบรกใช้เบรกเก่งกงเท่รถช้ำเพราะเบรกแต่บ้านนอกรถช้ำเพราะหลุมเพราะบ่อตกหลุมเบรก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 หยุดความโกรธยากจกหยุดไปได้เลยต้องเอาสุดเหวี่ยงตกเหียวไปก่อนหมดแรงแล้วยังหยุดได้เหมือนรถวิง่งยางแรงเบรกหัวปักไปเลยตกแล้วชนแล้วเสียหายแล้วจึงหยุดได้ตายไปก็มีเหมือนค น, น, นติดหยา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 ฝึกสติไว้ก่อนพอถึงขาวหักเดีว๋วก็หักไม่เอาเขาก็ทำใจได้บางคนไม่ทำใจหรือปล่อยตามปล่อยปล่อยตามปล่อยพอถึงขาวที่หักจริงๆทุกวันไปอยู่เดือนหนึ่งนะในวันสองวันน่ก็ให้ยาให้ยาหมอให้ยาตำบัดถึงโอกาสก็เอาระยุดเลยพอหยุดแล้วก็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 ไม่พวกันดูกันสองสามคนงอเขาให้ให้เลือดเอาเลือดไปให้แล <c oughs> ให้เลอือดปอกหลงทางสายสายสายยาเอาปอ ก, ป อ, กออก้นไปเลยเอาปอกตอนนี้ปอก อ, อก น, อนเลยเจาะเจาะเจาะเจาะปอกห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 ถ้าไม่ออกก็ไม่ต้องลาถ้าจะออกก็ลาเขียนใบลาให้เวลาคิดให้เวลาคิดสี่ห้าวันจะ ต, ต้องคขีโควิดเหรอโอเคช่โควิดเหมืนหหอนรถยนต์นอ <c oughs> แล้วก็ตัดส <c oughs> ินใจว่าไม่ได้ขอลาเขียนใบลา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 นโยปทะปละมะไปเลยไปนั้นเราจึงเอาตั้งแต่ต้นๆนะมันไม่มากหรอกมันมีหลงเท่านั้นละได้น้อยเท่านี้ก็ <c oughs> จะไม่มีภพอิชาติมีโทนี้ก่อขึ้นมาคือภาวะที่หลงเนี่ยนะเด็ดขาดเลยไม่มีอะไรตู้พิษตัวนี้ไม่ใช่เรื่องน้อยนะถ้าไปถึง เห็นแ้ <het en> อูพิษมันอยู่ตรงนี้นะเนี่ยแั้นหลตงตาเห็นนา้าไหลอ่ะมันทำไม ย, ยังถนนสายนั้นจึงเสียหายมากหนึ่งไปหาเหตุมันคนไปขดอเอาหินที่หลงตาวางไว้เป็นฐานฐานฐานขวงไว้มันให้มันระบายไปทางโน้นเพราะมันไหลลงมาข้ามถนนไปอันนี้ก็ข้ามตนนก็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 รือเอาก้อนหินใหญ่ๆไปวางขวางไว้ขวงไว้ไวอคิดกันอยู่แต่เราก็หมดแรงแล้ว <c oughs> แต่ทำไรก็ต้องใช่คนใช่คนก็เกรงใจเราทำไม่ได้ก็ใช่ก็ไม่ดี <c oughs> ว่าอะไระะให้ความเห็นว่าทางสายนี้ไม่มีวิธีใดที่จะทำเอารถมา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 เพียงกํามือเดียวเท่านี้ไปไกลถ้าไม่เปลี่ยนหลงเป็น ล, ลูกก็จะมีความโกรธความโลกความรักความยัางไปติดไปเลยเหมือนเชื้อโกคถ้าไม่รักษาให้วัคซีนเข้าไปก็ไปไกลนะตายเลยเชื้อโลคถ้ารักษาก็หายการที่รักษาแม้ก็ยังไม่ปลอดภยัย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 นุ๊กมออือขึ้นเกีขึ้นน่ยอดีตอยู่ที่นี่ปัจจุ บ, บันอยู่ที่อนาคตอยู่ที่นี่านาทั้งรับคอยมันหลงเรามีอดีตอยู่ทุนยังมามาเมื่อวานนี่คืออดีตปัจจุ บ, บันก็ไม่เห็นแต่อนาคตก็ยังจะเป็นไปอีกอยู่ไกลนูน้นเออมีสติเดี๋ยวเนี้มันก็อยู่เดี๋ยวเนี่ย รวมมาอยู่ในจทอยู่ในเลนเลยทีเดียวเลนชีวิตเราถ่ายให้มันดีถ่ายภาพภาพของชีวิตคือเนี่ยนั่นเอนั่นเป็นทาได้ันเป็นเลนเป็นตานท่วมลูปแบบนี้นที่ทําเป็นแบบนี้นไม่ลืมไม่เหมือนการท่องการจำ การโจทย์กาเขียนตอนนั้นลืมได้ต้ม่เห็นเนี่ยมาไม่ลืมหนูเห็นหลักเห็นฐานบอกใหความรู้ไปรู้หมดอะไรไมาอยู่ตรงไหนรู้หมดต้องต้นจากความรู้สความเป็นจริงเรื่รู้เรื่องน้อนที่มันเกิดอะไรจากรู้มีเลยบ้างเห็นหมด เข้าแถวสารภาพสติมหาสติจยิ่งใหญ่มาเข้าแถวมาสัพย์สารภาพแต่ดีก็เป็นนายแล้ววันแต่ก่อนความหลงเป็นนายเราบอกว่านี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นทุกข์นี่คือความไม่ใช่ตัวตนอีกได้ไม่เที่ยง สิ่ น, นั่นเป็นทุกข์ในตัวมันบอกอี่ใดเป็นทุกข์สิ่ง น, นั้นไม่ควรถือว่าเราตัวเราของเรามันบอกสรภาพ <c oughs> <c oughs> นะงั้นก็สิงโตเป็นราชาของสัตวัดตื่นสรภาพตติใหญ่ เอยเท่าของช้างใจกว่าลอยเท่าของสัตว์อื่นลอยเท่าของสัตว์อื่นมารวมลงที่ลอยเท่าของช้างได้ทาทั้งหลายมารวมล ง, ลงที่นี่ติปัญญาหาดรวมที่นี่ทั้งหมดเลยงันเวลาไหนเที่ยวทําเนี่ยไม่มีคารไม่มีเวลา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 แขนสองขาสองนี่โค่ีหัวตั้งอยู่บนบา่านีระบบอวัยวะเหมือนกันหมดกิเลสตัณหาเหมือนกันขวาโความโลภของหลงเหมือนกันก็เจเจ็บตายเหมือนกันหมดเนี่ยมันมานาชื่ถามคนเดียวลู่คนเดียวรูตัวเราลู่คนั่งลก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 สีแ่แงห้าแผงสวามพุทธเจ้าไปยืนอยู่ที่ไหนอรูเขยปรมาราภาก็ไม่มีโลกเป็นลาบเป็นปัสสุตโ้ไปรูก่อน ม, ม่สูจทั้งหลายขยนันพุทธเจ้าะยานัจนจงอุ้นได้8ป0 0มืสี่พันเลในหนังสือพระไตปรปิฎกความสอนที่เป็น พระโอษฐ์ออกาพระโอษฐของพระ อ, องค์ <c oughs> ไม่ใช่ขี้เกียจแต่ผู้ฟังจะขี้เกียจไหมก็บอกบอกอย่างนี้แล้วบอกจาง น, น, นี้ไปทำมั่งไหม <c oughs> หรือเปล่าปีใสหัวควายหรือเข้าหัวายออกหัวคว้าไปตามลมตามอากาศเอาไปทำให้เป็นเป็นขอบเป็นคำขึ้นมา ได้คำพูดน่ถ้ามีความหล ง, ลง ม, มไม่คงไม่หลงนั่นแหละงานของเรานะเราจะถ้าเปลี่ยนตรงนี้ได้แล้ ว, ลวไว้เปลี่ยนความโกรธความทุกข์ง่ายง่ายเกิดแก่เจ็บตายง่ายง่ายได้เปลี่ยนต่หลงได้แล้วภาวะที่หลงน่แล้วไม่ได้ไปทาอะไรมันเลยมันเป็นไปเฉลีวนะ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 ก็มาอยู่วัดสำหรับคนไม่มีอะไรแล้วหมดอะไรตายอยาบใช่ไหะนี่แหละคนมีอะไรที่มันประเสริฐนะเราก็เป็นกรยามิตรกันตอนนีๆๆ่เราอยู่ที่นี่อันหน้าเรามาอยู่ที่นี่ก็เป็นมิตรกันตลอดพบตลอดชาติกีพบกีชาติก็ยังเป็นมิตรกันอยู่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 ไปอยู <S <s ่ไหนก็ได้เหรออ้าวสมควรใช้เวลาวันไหนกราบพระป้อมกันหลังสมาสมุทโธพระก